คำว่าขัดเคืองมีโทสะคือโกรธไม่พอใจไม่ชอบใจแค้นใจเจ็บใจคำว่าไม่เช่มชื่นคือไม่เช่มชื่นเพราะความโกรธนั้นเพราะมีโทสะนั้นเพราะไม่พอใจนั้นและเพราะไม่ชอบใจนั้นที่ชื่อว่าที่ไม่มีมูลคือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้นึกสงสัยคำว่าด้วยอบัตปาราชิกคือด้วยอบัตปารชิก4ข้อใดข้อหนึ่ง คำว่าใส่ความได้แก่โจดเองหรือสั่งให้ผู้อื่นโจดคำว่าทำอย่างไรจึงจะให้ภิกษุนั้นพ้นจากพรหมจรรย์ น, นี้ได้ความว่าให้พ้นจากความเป็นภิกษุให้พ้นจากสมณธรรมให้พ้นจากศีลขันให้พ้นจากคุณคือตบัตคำว่าครั้นสมัยต่อจากนั้นความว่าล่วงขณะและยะครู่ที่ภิกษุถูกใส่ความไปแล้วคำว่า อันผู้ใดผู้หนึ่งโจก็ตามคือจะมีผู้เชื่อถือตามเรื่องที่ทำให้ภิกษุนั้นถูกใส่ความก็ตามคำว่าไม่โจก็ตามคือไม่มีใครใครกล่าวถึงภิกษุนั้นชื่อว่าอาธิกรได้แก่อธิกร4สี่อย่างคือวิวาธาธิกรอนุวาธาธิกรอาปัตตาธิกรและกิจจธิกรคํคำว่าและภิกษุยอมรับผิด ความว่าภิกษุนั้นยอมรับว่าข้าพเจ้าพูดคำไร้ประโยชน์พูดเท็จพูดไม่จริงไม่รู้จึงพูดคาว่าเป็นสังขารทิเศษความว่าสำหรับอาบัตินั้นสงเท่านั้นให้ปริวาทเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่าเป็นสังขารทิเศษ